ย้อนหลังไปอีก30ปีสำหรับกรุงเทพของเรานิสัยคนไทยสมัยนั้นยังไม่ถึงสมัยนี้ทุกคนจะรู้จักฐานะของตัวเองดีเสมอว่าทุกคนไม่เท่าเทียมกันไม่กระทําตัวที่ต่ำอยู่ให้สูงหรือว่าพองลมอย่างอึ่งอ่างให้โตจะทัดเทียมสัตว์อื่น คนสมัยหลังนี้คล้ายไม่รู้มีรู้จนมีรายได้เดือนละ5 0 0ร้อถึงห0 0บาทก็ดำเนินตัวเองเท่ากับคนที่มีรายได้เดือนละ2 0 0 0 3 0ถึงามพบาททั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ยากแค้นอยู่เมื่อ30ปีโน้นนักดื่มสุราของไทยเรารู้จักลดค่าตัวของตัวเองประมาณฐานะตัวดื่มเพียงแค่เหล้าโรงของบางยี่ขันก็เป็นอย่างดีแล้วนะคะ คนหนึ่งสักสองสามบาทก็พอจะทำให้เลือดลมวิ่งพอจะรับประทานข้าวได้เช่นนั้นตามร้านเหล้าโรงจึงมีลูกค้ามากกว่าร้านเหล้าดีๆพูดถึงร้านเหล้าในย่านท่าเตียนแล้วมีมากร้านด้วยกันค่ะทั้งร้านไทยและก็ร้านจีนท่าเตียนนี่จัดว่าเป็นย่านสำคัญของสองฝั่งทั้งฝั่งกรุงเทพและก็ฝั่งกรุงธนบุรีจะมาประสานกันที่ท่าเตียนคนที่อยู่ฝั่งวัดแจ้งทั้งข้ามมาแล้วก็ข้ามกลับ คนฝั่งกรุงเทพจะไปฝั่งธนบุรีข้ามกันที่นี่แหละนะคะและถ้าย้อนหลังไปอีกเมื่อสมัยคนไทยยังนิยมการเดินทางไปอยุธยาด้วยทางเรือเมย์แล้วล่ะก็ท่าเตียนนี้แหละค่ะเป็นชุมทางดีทีเดียวใครจะไปอยุธยาบ้านแพนผักไห่อ่างทองเมืองสรีเมืองสุพรรณต้องมารวมกันที่นี่สมัยหนึ่งเรือเมย์แดงของบริษัทฝรั่งฝีจากเรวนัก จอดอยู่ท่ากลางตลาดเรือเขียวจอดอยู่ท่าประตูนกยุงเป็นของบริษัทไทยมาคราวหลังท่าเรือนี้จะราลาไปข้อกว่าแต่ก่อนนะคะผู้คนก็ยังคงท่ามฟากไปมากันอยู่มากความคึกคักจึงไม่น้อยลงไปกว่าเก่าเท่าไหร่นักผิดกับร้านเหล้าร้านอาหารสองข้างทางลงเรือนั้นก็น้อยลงไปกว่าก่อนจะเหลือแต่ร้านเหล้าเก่าๆเหลืออยู่บ้างที่มีลูกค้าประจํา ร้านนี้แต่ก่อนใหญ่โตค่ะแต่สมัยที่ว่านี้เล็กลงไปกว่าเก่าใครดื่มเหล้าแล้วแก้วสองแก้วจากไปก็มียังนั่งดื่มคาร้านอยู่ก็มีโต๊ะหนึ่งก็มีคนหนุ่มอยู่หลายคนนั่งอยู่แล้วก็ดื่มเหล้าโรงตามฐานะตนเออนี่เมื่อสมัยเก่าเนี่ยเขาว่าใครกินเหล้าตั้ง1บาทเนี่ยเมาแย่ทีเดียวแต่สมัยนี้เราที่3 4บาทยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย หนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นนะคะแล้วก็มีท่านผู้เฒ่าอีกโต๊ะหนึ่งหันมามองดูผู้พูดสมัยโน้นเหล้าบาทหนึ่งเมาสิคุณเอ้ยท่านผู้เฒ่าพูดแล้วก็ยิ้มพลางหันไปทางเจ๊กแก่ๆเจ้าของร้านนั้นพ่อคุณเธอหน่าหยิบถ้วยเหล้าสมัยเก่าให้เขาดูหน่อยเจ้าของร้านได้ยินผู้เฒ่าพูดดังนั้นก็ยิ้มแล้วก็ก้มลงค้นที่บาเหล้าของเ้าหน่อยหนึ่งก็หยิบเอาแก้วหนาๆทําเป็นฟเฟือ ง, งรอบตัวขึ้นมาใบหนึ่ง ท่านผู้เฒ่าก็รับมาดูแล้วก็ส่งให้พวกหนุ่มๆพวกหนุ่มๆก็รับเอาไปดูเห็นเป็นแก้วอย่างเก่าใบใหญ่ค่ะก็เลยขอไม้ฟุตมาวัดดูสำหรับแก้วนั้นสูงห้านิ้วฟุตปากกว้างสามนิ้วฟุตครึ่งเอา้าคุณลองตวงน้ำวัดเทียบดูกับแก้วที่คุณกำลังดื่มดูเธอว่าน้ำเหล้าเนี่ยมันผิดกันแค่ไหนผู้เฒ่าให้สอบดู พวกหนุ่มก็ทําตามก็พบว่าแก้วที่กําลังดื่มเหล้านั้นเนี่ยราคา1บาทเมื่อตวงเทียบแล้ว3แก้วถึงจะเต็มแก้วเก่าเห็นไหมล่ะมันผิดกันแก้วแบบเก่าราคาเหล้าก็เฟื้องเฟื้องหนึงคือ12สตางค์นะคะแล้วดูสิว่า1บาทน้ําเหล้ามันจะมากขนาดไหนแม่จริงครับเมาแน่นอน1บาทแต่ก่อนชายหนุ่มรับรองว่าเห็นจริงคุณเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนนะ่ยมันผิดกันอย่าไปคิด ว่าคนเก่ากินเหล้าแค่หนึ่งบาทแล้วก็เมาซะแล้วคุณวัดดูน้ำเหล้าเห็นแล้วนี่นาผู้เฒ่าพูดแล้วก็หวัวเราะคนเก่านะคุณถ้วยแรกเขาดื่มเต็มเฟื้องเลยนะเป็นการเตือนตัวพอถ้วยหลังเนี่ยทยอยเป็นถ้วยละสองไพลสองไทเท่ากับ6สตางค์นะคะการดื่มของคนเก่านะ่ะถึงกับผูกกรอนไว้ทีเดียวเป็นการเตือนสตินักดื่มไม่ให้ลืมตัวกรอนว่าไงครับพวกหนุ่มถาม กรอนน่ะฉันก็จำมาอย่างหลงหลงลืมลืมนะอย่าเอาผิดเลยเอาเถอะครับขอพอเป็นทางรู้ไว้บ้างกรอนเขาว่าอย่างนี้ถ้วยหนึ่งนงนุษย์สองถ้วยพุทธวาจาพอเขาพูดแค่นี้พวกหนุ่มก็หัวเราะเฮฮากันเออคุณตาครับอ้อถ้วยหนึ่งนงนุษย์เหรอครับอ้อยังสุภาพอยู่อย่างนั้นสิมันยังสงบเสงี่ยมเช็ดปากเช็ดคอนั่งเงียบพอเข้าถ้วยสองพุทธวาจา โอโยชายหนุ่มร้องพูดทางธรรมเหรอครับอย่างนั้นแหละไม่พูดทางพุทธเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าบวชเรียนมาอ๋อหนุ่มหัวเราะพอเข้าถ้วยสองทางธรรมชักจะปราดเปลืองอย่างงั้นสิกําลังคล่องเชียวละทางธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเมาเสียหายเมาน่ะเมาจริงแต่เมามีหลักพวกหนุ่มก็ฮากันอย่างสนุกสนานผิดที่เคยถ้วยที่สามละครับว่าไงอ๋อ ถ้วยสามเหรอแก้วกล้าพูดองค์อาจนั่นแน่มีบูสซะด้วยยังยังเว้ยเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเลือดชายต้องเป็นชายทีนี้แล้ะค่ะก็เลยหากันหนักกว่าเก่าพอใครยกแก้วขึ้นดื่มก็ร้องถามกันว่าแก้วที่เท่าไดคุณตาครับผมขอจดกลอนซะเลยตั้งแต่ถ้วยที่หนึ่งได้ไหมครับเอาเลยจดตามถ้วยหนึ่งนงนุดถ้วยสองพุทธวาจา สถ้วยแกล้วกล้าพูดจาองอาจสี่ถ้วยเก่งกาศผ้าขาดไม่รู้ตัว <laughs> ห้าถว้วยเมามัวพูดไม่กลัวความผิด6ถ้วยมีริดพูดผิดทุกทำเจ็ดถ้วยมืดคล้ำ ม, มือคลําหนุทางแปดถ้วยเอวบางพี่เห็นช้างเท่าหมูเก้าถ้วยโอ้ว่าชมตรูสุดรู้สุดคิดสิบถ้วยมืดมิดสิ้นริดพี่แล้วเจ้าแก้วเอ้ย แม่คุณตาครับถ้วยหกเนี่ยมีริทพูดผิดทุกคำอ๋อแน่สิก็ถ้วยห้าพูดไม่กลัวความผิดแล้วนี่จะไปกลัวอะไรอีกล่ะพูดผิดก็ได้ไปทุกคำไป พวกหนุ่มหหากันน้ำหูน้ำตาไหลทุกคนรู้อยู่แก่ตัวค่ะว่าเป็นความจริงตามกรอนเก่าประมาณไว้เรื่องของเหล้านี้ยิ่งมากถ้วยมากแก้วเข้าไปริดมากขึ้นโดยทุกคนเคยผ่านมาแล้วเฉพาะเรื่องธรรมะและชอบพูดนักทั้งเมาจนกลิ่นฟุ้งยังรักจะพูดว่าจะไปนิพพานแต่ลงท้ายกับเลือดนักเลงออกปโัโธเรื่องคนกินเหล้าแล้พอคุณเอ้ยคนไหนรับว่าเมายายา เมาจริงต้องมีหลักนักยาเข้าใจผิดว่าเละเอะเทอะเขาเมาฉันมีหลักยูท่านผู้เทาว่าแม้ราคาเงินมันมีค่ากว่ากันจริงๆแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยหนุ่มว่าอ๋อแน่ละผิดกันไกล้มีอัดสลึงเดียวอัดหนึ่งเท่ากับยี่สิบห้าสตางค์นะคะเมาพอสบายสองเฟื้องหนี่กําลังพุทธวาจาเชียวน่านับถือนี่พ่อหนุ่มเอ้ย เฉพาะห้องสองข้างทางลงเรือนี่นะแต่ก่อนร้านข้าวแกงเต็มไปหมดเลยร้านกาแฟน่ไม่มีรอกคนแก่ๆไม่ชอบกาแฟนักน่าแปลกไหมล่ะคนติดฟินรู้จักดื่มกาแฟมากกว่าคนธรรมดาหน้าโรงยาฝลฟินทุกแห่งจะมีร้านกาแฟอยู่เสมอพวกฟินที่ยังหาสตา์งซื้อฟินสูบไม่ได้มักจะหันเข้าหากาแฟดับความอยากไว้ก่อนสีมันก็ดำๆคล้ายกันกลิ่นก็คล้ายกัน ภาษาเก่าๆเขาเรียกว่าเล่นกาแฟพออู้ไปก่อนเรื่องกาแฟกับฉันเนี่ยนะบอกตรงๆฉันก็มากินเป็นเอาก็ตอนแก่นี่แหละเมื่อตอนหนุ่มๆนะเล่นแต่เล่าอย่างเดียวเย็นค่ำแล้วเป็นค่ำมาจากวัดแจ้งนูน่นมาจากท่าเตียนมากินกันมันก็สารพัดของกินเลยละ่ะจะกินอะไรก็มีทั้งนั้นพ่อครัวจีนมีวิธีเรียกลูกค้านัก จะเอามีดเอามาตีกันกับหมูตีกันกับเขียงใหญ่ของเขาเสียงดังเพลงเพลงแล้วก็สับเขียงปล่าๆฟังเหมือนกำลังสับเป็ดสับไก่คนหน้าเตาก็ผัดอะไรต่ออะไรกลิ่นกระเทียมหอมฟุ้งไปหมดคนเดินไปเดินมามันจะอดแวะเข้าไปได้ยังไงพ่อครัวจะร้องตะโกนบอกรายการอาหารไปว่ามีอะไรบ้างมือก็ผัดอะไรดังชีชี ช, ชาช า, ช, าชวนน้าลายไหลตอนฉันยังเด็กนะนุมเอ้ย เคยตามผู้ใหญ่ไปเมืองกรุงก็อยุธยานี่แหละแต่เขาเรียกเมืองกรุงถ้าเรียกเต็มก็ว่ากรุงเก่าคําว่าเมืองกรุงนี่มันดูไกลจริงเรือจะออกหนึ่งโมงเช้าแต่มาคอยกันที่ท่าเรือเนี่ยตั้งแต่ตีสีพอตีห้าผู้ใหญ่บังคับให้เรากินข้าวเช้าแล้วโอ้โหมันยังเช้านักหิวไม่หิวเขาก็ให้กินก็ต้องกินกับข้าวก็มีไม่ว่าจะเป็นแกงเนื้อแกงปลาดุกน้ำพริกผักดองปลาดุกย่าง ไตรปลาผักสดจิ้มไห้ตายสิเอา้าฉันยังจำกลิ่นและรสชาติได้ดีเลยมันก็อร่อยดีแบบไทยๆนี่แหละเรื่องเป็ดเรื่องไก่นะเด็กๆไม่ได้แอมกับขา้าวทอกพวกขี้เล่าเขากินกันเป็ดพะโลหมูย่างไก่ต้มหมูต้มหมูตัง้งกุนเชียงย่างหอมแล้วก็ยำโอ้โหเด็กเนี่ยเล่นแกงเนื้อเป็นแดนกับกระเทียมดองอคุณตาครับ ใครนะว่าที่เป็นคนพูดว่าถ่าเตียนเนี่ยเตียนเพราะยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งรบกันแถวนี้ก็เลยเตียนไปเลยพวกหนุ่มๆ ห, หาเรื่องคุยสนุกแล้วสิคะอ๋อผู้ใหญ่เขาเล่ากันสนุกดีเกิดให้ยักษ์หินมามีฤทธิ์ออกมารบกันได้คุณตากลับบ้านดึกๆไม่พบยักษ์เหรอครับปัโทโยักษ์หินมันจะไปทาอะไรใครมันก็ยืนแข็งทื่ออยู่ทั้งวันทั้งคืนผู้เท่าว่ามีอยู่คราวหนึ่งนะ ฉันยังเด็กอยู่ตามน้าเนี่ยชอบข้ามมากินขนมหอยแมงผู้ทอดที่นี่พอข้ามกลับไปก็โดนตีพบยักษ์แหละครับอะไรก็ไม่รู้สิจนบัตรนี้ยังไม่รู้เลยว่าพบอะไรผู้เฒ่าหยุดดื่มเหล้าคือว่าฉันเนี่ยนะตามน้าชอบกลบับพอขึ้นท่าวัดก็แวะถ่ายปัสสาวะกันมันมืดแล้วก็มองแบบไม่มีคนน่ก็ว่ากันสบายไปเลย ก็พอดีมีเสียงอะไรก็ไม่รู้คล้ายสูงต้นใหญ่ๆที่ตั้งไว้แล้วก็ล้มลงดังสนั่นแผ่นดินกระเทือนฉันก็ตกใจจนตัวสั่นไม่รู้ว่าอะไรดังแต่น่าชอบเนี่ยเขาก็จ้องมองยักษ์หินสองตัวนั้นค ล, คล้ายๆกับว่าจะสงสัยว่ายักษ์เนี่ยมันยกขากระทืบแท่นที่ยืนอยู่ดังสะเทือนน่าชอบกับฉันก็เลยยืนตะลึงอยู่หน่อยนึงแล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้รีบฉุดมือฉันเดินอ้าวออกข้างวัด ออกประตูที่มีสะพานข้ามคลองเล็กเข้าสู่หมู่บ้านของชาววัดแจ้งรุ่งเช้าก็สืบดูว่าเสียงเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดจากอะไรพระท่านบอกว่ายักษ์จะมาเกี่ยวข้องอะไรกับใครเขาสร้างไว้เป็นศิละปะจะมาหลอกมาหลอนใครได้เรานะ่ยนึกกันเอาเองเสียงดังแบบนั้นไม่มีอะไรล้มหรือโคน่นทั้งนั้นก็เลยเหมาเอาไว้ก่อนว่ายักษ์ สมัยนั้นฝั่งธนบุรีมันแสนจะเปลี่ยวก็มีแต่สวนแล้วก็ป่าพ้นกำแพงวัดออกไปก็เป็นตรอกเดินกันไปเลี้ยวขวาก็เข้าสู่ตลาดวัดแจ้งก่อนแล้วก็ไปถึงวัดหมื่นรักวัดระฆังบ้านขมิ้นวังหลังกลางคืนนี้น่ากลัวมากทั้งคนร้ายทั้งพูพ้ปีศาจแถวฝั่งธนนะคนที่จะเดินเที่ยวก็มีพวกนักเลงพวกขี้เหล้าเมายาพวกชาวบ้านธรรมดาไม่ยืดหัวออกไปหรอก ถ้าจะเที่ยวก็ข้ามมาหาอะไรกินที่ท่าเตียนนี่เลยแล้วก็วนเวียนกันแค่ท่าเตียนนี้เองไม่เลยไปที่อื่นเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันมีจุดสนุกที่สุดก็ตําบลโรงหวยหรือตําบล3ยอดนั่นแหละที่นั่นเนะ่เป็นจุดสนุกของกลางเมืองทีเดียวนะแต่ว่าจะพ้นจากท่าเตียนไปได้นี่สิยากนะักเพราะว่าเราจะต้องเดิน ขามถนนเล็กๆตัดวัดโพออกไปก็มี3ทางทางหนึ่งเวลากลางคืนก็น่ากลัวทั้งผีทั้งคนร้ายเช่นทางที่ด้านขวาเนี่ยเป็นวัดโพในบริเวณโบสถ์พระนอนมันเงียบน่ากลัวจริงเชียวซีอข้างซ้ายเป็นกำแพงวังหลวงที่แสนจะเงียบพอพ้นสายนี้ไปได้ก็ไปเจอเอาสวนเจ้าเชษเข้าอีกทางผ่านอีกทางก็คือถนนเล็กผ่านวัดซีอซ้ายเนี่ยเป็นบริเวณโบสถ์แล้วก็วิหารไม่มีคนอยู่ ซีขวาเป็นบริเวณของพระสงฆ์อยู่แต่ก็เงียบอีกแถวนี้วิ่งราวกันเก่งเอาการคนร้ายจะกระโดดกำแพงของบริเวณโบสถ์มาวิ่งราวแล้วก็โดดกำแพงกลับเข้าไปอีกใครละมันจะไปตามทันแต่ว่ารวมความว่าเมื่อพ้นไปได้ก็ไปเจอสวนเจ้าเชิดอีกส่วนอีกทางหนึ่งถนนเล็กกว่านี้ผ่านวังเจ้าแต่กลางคืนก็มืดและเงียบคือถนนเล็กผ่านวังกรมอดีสอน แต่อีกซีกหนึ่งก็เป็นบริเวณสงตรอกนี้เนี่ยมีต้นไม้ขึ้นครึ้มมืดทอดกิ่งก้านแทบจะข้ามตรอกเลยทีเดียวส่วนมากพวกจะไปเที่ยวทางรงหวยเนี่ยมักจะเป็นพวกคนในวังแถวนั้นซึ่งก็มีมากวังด้วยกันหรือไม่ก็ทหารเรือเก่าที่เป็นนักเลงที่แขนมีลายสักมังกรพันแขนแล้วก็เป็นได้การสวนเจ้าแช่ที่เป็นกรมรักษาดินแดนเดี๋ยวนี้นั่นแหละแต่ก่อนนี่เปลี่ยวมากเลยนะ มีรั้วก่อปูนตอนล่างตอนบนเป็นลูกกรงเหล็กข้างในสวนก็มืดทึบด้วยต้นไม้มีหอกลองตั้งอยู่เด่นหอกลองนี่มีสามชั้นมีกลองแขวนทุกประจำชั้นพวกคุณเกิดไม่ทันหรอกเขาเอาเก็บไปแล้วแล้วก็หอเนี่ยก็รือ้อเขาทํากรมทหารของเก่าก็รื้อทิ้งไปแม่เสียดายจริงนะครับเกิดไม่ทันหอกลองเนี่ยได้ยินแต่ชื่อพวกหนุ่มว่ากลองทั้งสามชั้นแต่มันมีชื่อนะ ชื่ออะไรบ้างอะครับปอดกรุรณาบอกบ้างถ้าจาได้อ๋อชั้นล่างเขาเรียกว่าย่าพระสุริยสีชั้นกลางอัคคีพีนาธชั้นบนพิฆาตภัยรีโอ้โหชื่อกลองนี่คล้องกันหมดเลยนะครับอ๋อชั้นล่างเนี่ยก็ตีเป็นปกติทุกเย็นค่าสิครับตีบอกเวลาย่ำค่าส่วนชั้นกลางถ้าเกิดไฟไหม้ถึงจะตีถูกหมฮะ แต่ชั้นบนทีเดียวมาสมัยกรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ได้ตีแน่ๆแต่เอ๊กุณตาครับคนอยู่ไกลๆทําไมจะรู้แหละว่าเสียงกลองที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นกลองชั้นไหนแล้วก็จะดูได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอา้าเขาก็ตีมีจังหวะสิมีเพลงตีชาวเมืองเก่าเขาฟังกันรู้ว่าตีแบบนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ใช่ตีแบบกลองเพลงพระฉันข้าวนี่คุณอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเอาล่ะ ฉันจะเล่าเรื่องเที่ยวโรงหวยก่อนพวกที่ไม่ได้กินเหล้าน่ะใจไม่กล้าเดินก้มหน้าอยู่กลางถนนไม่กล้ามองเข้าไปในสวนรอกกลัวจะเจอเอาพูดผีปีศาจเข้าพอพ้นไปได้ก็ข้ามสะพานมอญเข้าสู่ถนนเจริญกรุงผ่านทางด้านของสีก่กัคพยาก่อนแล้วก็มาผ่านสนามน้ําจืดที่เป็นโรงหนังเฉลิมกรุงเดี๋ยวนี้แหละด้านตรงข้ามเนี่ก็เป็นวังเกาคือที่เป็นตลาดบําเพ็ญบุญนั่นแหละ พอเลยไปจนถึงสี่แยกก็คือโรงหวยละอยู่ด้านซ้ายมือตึกแถวอยู่ริมถนนตัวโรงหวยอยู่ข้างในเป็นเวิ้งใหญ่มีโรงที่ออกหวยเจ้าหน้าที่มากมายมีลูกกรงเหล็กกัน้นใครเข้าไปยุ่งไม่ได้พวกที่ต้องไปแทงกันถึงโรงหวยนะ่มักจะเป็นพวกที่รู้จักวิธีแทงยอกแทงย้อนอะไรของเขาฉันเป็นเด็กฉันก็ไม่รู้อะไรของเขาหรอกตามเขาไปเที่ยวแมนะคุณเอ้ยที่นั่นน่มันคลึกโครมจริง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งสู้ซาทีเดียวพูดง่ายง่ายความสนุกของกรุงเทพก็มีที่นั่นหละเป็นใจกลางเมืองหลวงแต่ก็เป็นที่รวมของพวกนักเลงแหละมากคนสุภาพไม่ค่อยจะมีไปเที่ยวกันที่นั่นแม่ถ้าไปเที่ยวโรงหวยแล้วจะกลับวัดแจ้งไวล่ะครับคุณตาโอ้ยไม่มีใครกลับหรอกกว่าจะหวยจะออกก็ดึกมากหวยออกก็นุน่นเ ป, ปะกินเหล้ากินอะไรกันที่นั่นจนสว่างกลับเช้าขืนเดินกลับกันมากลางดึก ดีไม่ดีถูกแย่งชิงหมดตัวพวกที่เขามาแทงหวยจากหัวเมืองก็นอนข้างถนนนั่นแหละเยอะแยะเหมือนงานพระบาทไม่มีใครห้ามคุ้มตัวเอาเองของขายก็มีตลอดรุ่งการเที่ยวสนุกนักเป็นอิสระใครใคเที่ยวผู้หญิงเที่ยวเพราะว่าสะพานเหล็กก็คือแดนแม่นกราตรีใครใคกินก็กินใครใคนอนก็นอนตามทางเท้าหน้าตึกแถวนะ่ะนอนกันเป็นกลุ่มๆไปเลยถนนแต่ก่อนนะพอสามทุ่มก็หมดรถแล้วเงียบดี นี่แหละเคยนอนตามถนนกับผู้ใหญ่เข้าหลายหนสนุกดีนะพื้นแข็งหน่อยแต่ง่ว ง, ง, งเข้าก็นอนได้ดีเลยทีเดียวนานๆจะมีลมพัดมาอย่างแรงฝุ่นเนี่ยเต็มตัวไปหมดปัดมันเอา้ากลัวอะไรถนนโรยกรวดโรยหินนี่คุณฝุ่นมันก็จมละเชา้ชาๆกลางวันเขาจะใช้เจ็กเนี่ยหาบน้ำรถถนนกันฝุ่นกลางคืนก็ต้องทนฝุ่นเอาไม่ต้องกลัวอะไรคนนอนกันเป็นร้อยๆนั่งคุยก็มีนอนคุยก็มีคลืคล้นื้นนัก เมื่อก่อนไปไหนก็เดินกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเมื่อยนานๆจะขึ้นรถเจ็กกันสักทีนึงส่วนเจ้านายนะ่ะท่านไปไหนก็ไปรถม้าใครๆก็ยกย่องท่านแล้วนอกนั้นมันก็เสมอกันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกคนเท่าๆกันมันข้ามหัวกันได้ถ้ามีเงินมันทําตัวเทียมเจ้าเทียมนายเมื่อก่อนใครทําตัวเลยฐานะเลยชั้นวั น, นะไปก็ด่ากันแหลกคาปากไปเลยคุณตาเคยพบยักษ์วัดโพสําแดงเดชอะไรบ้างไหมครับโอ้ยยักษ์หินเจ็กนะะ่ะเล้อ มันก็ยืนอยู่ตามประตูกำแพงในวัดสิกลางคืนใครจะเข้าไปหามันล่ะเพียงเดินอยู่ข้างนอกวัดยังระวังคนวิ่งราวจะตายไปพวกนักเลงชอบใส่หมวกสารไหมสับประรดไหมต้นมะนิลาที่ทำจากคองปานามาทางอเมริกาน่นเรียกกันว่าหมวกปานามาใบหนึ่งราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกอย่างแพงหน่อยก็สีบห้าบาทแต่ที่ใส่กันมากนะน่าจะใบละสองบาทสสตางค์พวกนักวิ่งราวก็ชอบวิ่งราวกันเพราะมันขายได้ง่าย คนชอบซื้อใส่กันนักวิ่งราวบางพวกก็ใช้ตุกแกผูกเชือกปล่อยลงมาเกาะหมวกแล้วก็ดึงขึ้นต้นไม้การทำแบบนี้มันจะเป็นตรอกมืดๆที่มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มักจะกะคนที่เมาเหล้าหลับๆตื่นๆมาบนรถเจ๊กก็ทำได้ง่ายเจ๊กที่ลากรถน่ะมันไม่ค่อยจะอยากจะหยุดรถเท่าไหร่หรอกทั้งๆได้ยินว่ามีการวิ่งราวหมวกกันเจ๊กก็อยากจะวิ่งไปเสียให้พ้นๆที่จะหยุดให้ลงจับผู้ร้ายน่ะเจ๊กไม่ค่อยเอา พอดีพอร้ายตนเองจะเจ็บตัวไปด้วยฉะนั้นการจับผู้ร้ายจึงยากอยู่ด้วยประการชนี้ทำไมอะครับสมัยน้นไม่มีหมวกอื่นใส่กันล่ะครับมีสิมีหมวกสักกะลาด์หมวกกะโล่ที่ฝรั่งว่าซันเฮดหมวกกันแดดแต่หมวกเหล่านี้เนี่ยค่ะราชการเขาใช้กันฉันนะว่าหมวกกะโล่กับหมวกสาล น, นี่เน่ยเหมาะกับเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนหมวกกะโล่ใส่เย็นหัวดีมีลมเดินได้ไม่อบหัว แต่หมวกสักกะลดนี่สีดูมันขัดขั ด, ขดอยู่ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าหมวกเมืองหนาวแต่พอเราเอามาใส่ม่กี่เดือนก็อบเงือเหม็นสาบเหม็นเปรี้ยวลำคาญจะหมูกพวกนักเลงเที่ยวไม่ชอบซื้อใส่เพราะว่ามันเป็นหมวกงานหมวกหลักฐานพวกวิ่งราวก็ไม่ชอบวิ่งราวเพราะว่ามันขายยากภัยต่างๆจึงมาอยู่ที่หมวกสารนักเลงเที่ยวใส่สบายหัวมันเบาแล้วก็ไม่อบหัวแต่ว่าการแต่งตัวน่ะ ไม่ใช่ว่าแต่งแบบถูกแบบแผนอย่างข้าราชการก็หาไม่นุ่งสโตรงไหมก็ใส่กันนุ่งผ้าลอยชายก็ใส่กันดูเป็นการใส่อย่างกวนๆตาเล่นอย่างงั้นแหละสีมันขาวหรือมันเหลืองอ่อนนวลๆมีผ้าไหมสีสวยพันอยู่หมวกผู้ใส่ก็แสดงถึงกระเป๋าหนักนิยมกันตั้งแต่พื้นนักเลงเป็นส่วนมากนี่พวกเราอย่าดื่มเพลินเผลอเข้าไปแก้วที่เท่าไหร่แล้วคอยนึกไว้บ้างเนอ้อไปโดนแก้วที่สิบเข้าและแย่กันเลยนะหนุ่มคนนึงเตือนสติ เฮ้ยแก้วเหล้าเล็กๆแบบเนี้ย0แก้วยังพอไว้นะผู้เท่าว่าผมชอบแค่3ามแก้วครับแก้วก้าพูดจาองอาจหนุ่มหนึ่งพูดแต่อีกหนุ่มหนึ่งค้านบ้านผมอยู่ตรอกลึกผ่านวัดผ่านวามาม า, มากถ้าขนาด8ดแก้วเอวบางเห็นช้างเท่าหมูจะค่อยประทังกลัวผีกลัวสางไปได้นะ่ะโอ้ยถ้าเที่ยวอย่างสมัยเก่ากี่แก้วก็ไม่ไหวบางแห่งมันน่ากลัวจริงๆสวนเจ้าเชินี่นะ ทั้งผีจริงผีเล่นเอาการอยู่พวกเจกที่เอาเป็ดเอาไก่มาแก้บนเจ้าพ่อหอกลองเนี่ยโดนสนักและเอาเป็ดเอาไก่วางไว้จุดทูบเทียนว่าปับแวมแวจะพวกเหล่าร้ายแสดงเป็นลูกช้างเจ้าพ่อก็คอยแอบดูว่าเมื่อไหร่เจกจะเผลอจะได้แอบหยิบเป็ดไปกินเห็นไม่เผลอแน่ก็วางแผนกัน โขกระงเปิดก้นให้เพื่อนเอาดินมอ้อเขียนลูกตาตัวโตวลงที่แก้มก้นทั้งสองข้างแล้วก็โก้งโค้งเดินถอยหลังไปหาถาดเป็ดถาดไก่ฝ่ายเจ๊กก็จ้องมองแล้วก็จ้องมองอีกแสงสว่างก็มืดบ้างสว่างบ้างดูไม่ออกหรอกว่ามันเป็นสัตว์อะไรเดินมาช้าๆตาโตหน้าใหญ่ผิดสัตว์ธรรมดาดูหนักๆเข้าใกล้ๆเข้าโอ้ไม่ไว้ใจเว่ยก็เลยวิ่งหนีทิ้งเป็ดทิ้งไก่ไปพวกหนุ่มฟังแล้วก็หัวเราะกัน นึกถึงภาพแล้วมันขันเขียนตาโตๆเข้าที่แก้มก้นแล้วก็โก่งโค้งถอยหลังไปจะดูว่าสัตว์อะไรก็ดูยากยิ่งคิดไปยิ่งนึกไปอะไรก็ขันไปหมดหัวเราะกันงอไปงอมาเออคุณตาครับผมสงสัยนักครับว่าเสียงกลองที่หอนั่นน่ะจะได้ยินทั่วกรุงหรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ยินล่ะก็เมืองหลวงสมัยนั้นแคบนิดเดียว อีกประการเงียบก็เงียบไม่ตึงตังโครมครามเหมือนเดี๋ยวนี้เสียงกลองต้องได้ยินไปไกลหนทางแค่วัดสะเกดเนี่ยก็เป็นชานเมืองแล้วขี้เกียจจะได้ยินเสียงอีกกล้องกังวาลหูแทบจะแตกไปแล้วมั้งสมัยกําแพงเมืองยังไม่ได้รื้อทิ้งรถเจ็กวิ่งได้รอบกําแพงอย่างสบายเมื่อสมัยยังยิงปืนตอนเที่ยงวันยังได้ยินกึกกล้องไปทั้งเมืองจนพูดกันว่าถ้าใครอยู่ไกลจนไม่ได้ยินปืนเที่ยงเรียกว่าป่าเถื่อนไกลปืนเที่ยง ถ้าพวกชาวกรุงต้องได้ยินปืนเที่ยงทุกคนบ้านเมืองมันเงียบจริงๆตอนนั้นในแม่น้ำเนี่ยนานๆจะมีเรือกลไฟแล่นมาสักลำตามถนนหลวงวันหนึ่งๆบางทีจะมีเสียงรถม้าวิ่งมาสักคันรถยนต์น่ะถ้าเจ้าใหญ่นายโตไม่วิ่งมาก็ไม่มีรถมาจอดที่ใดก็มีคนไปยืนมุงดูกันไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็ น, หนลงมันเป็นดังนี้ความเงียบทาไมจะไม่เงียบล่ะเมื่อตอนฉันยังเด็กนี่มีรถรางใช้เหมือนกัน แต่ไม่ได้มีเครื่องยนต์กลไกลอะไรมีล้อวิ่งในรางเหล็กจริงแต่ว่าใช้ม้าหลายตัวลากวิ่งไปพอข้ามสะพานทีลรสนุกนะักคุณเอ้ยเจ้าหน้าที่รถรางจะตะกนขอร้องผู้โดยสารให้ลงไปช่วยเข็นรถเป็นการช่วยกําลังม้าที่ลากไม่มีใครรังเกียจ ด, ดอกคุณสนุกกันสมัยนั้นเรียกว่ารถเมยเด็กๆ ก, ก็จะร้องเล่นกันว่าใครมีอัดสองพายจะได้ไปรถเมย์สองพายเท่านั้นละ6สตางค์ขี่ได้รอบเมืองออกกําลังหน่อยตอนขึ้นสะพาน ในขณะที่คุยกันกําลังออกรถก็มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ 7-8 ็ดขวบวิ่งเข้ามาในร้านลองเรียกตาจ๋าตาจ๋าเจกเจ้าของร้านก็ชี้ให้เด็กคนนั้นดูว่าตากําลังคุยอยู่และผู้ที่ถูกเรียกตาก็คือท่านผู้เฒ่านั่นเองพอเด็กวิ่งเข้าไปเกาะแขนผู้เฒ่าก็ก้มหน้ามองเด็กอึ้งอยู่คล้ายกําลังจะรวบรวมความจําว่าเด็กคนนั้นมันลูกเต้าเหล่าใครตาจ๋ากลับบ้านเถอะแม่เขาไม่สบายมากให้ฉันมาตามตาจ้าเด็กว่า ท่านผู้เป็นตาได้สติขึ้นฮะไอออนหรือมึงเสียงท่านตาอ้อแอ่ตามลำดับแก้วและลำดับริดของมันที่ดื่มตั้งแต่เย็นมายังไงเนี่ยฮะฉันมาเรือจ้างแม่ไม่สบายมากเขาคอยกินยาที่ตาซื้อมาจ้ะเด็กว่าฮะบะยาเหรอเอ๊ผู้เฒ่าร้องอย่างตกใจแล้วก็งง ง, งันๆคล้ายจะนึกไม่ออกว่ายาที่เด็กว่านั้นน่ะซื้อแล้วหรือยัง ต่เด็กชายนั้นดูจะเคยกันดีโดดเข้าเกาะแก้วของตาแล้วก็ล้วงดูทุกกระเป๋าล้วงจนพบห่อยาแล้วควักออกมาแล้วร้องว่ายูนี่แล้วตาเรากลับบ้านกันเถอะเออกลับสิวะแล้วผู้เท่าก็ลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็กล้มลงไปกับพื้นโดยริดแก้วที่เท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้พวกหนุ่มๆ ม, มองหน้ากันไม่ได้แล้วพวกเราเราจะปล่อยแกกลับกับเด็กตัวนิดเดียวไม่เหมาะแน่คนหนุ่มคนหนึ่งพูดต้องไปส่งสิ อีกคนสนับสนุนรับคําเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของพวกกินเหล้าทั้งหลายเรื่องกินกันอยู่ถึงเวลาแยกกันกลับจะต้องห่วงซึ่งกันและกันนักกินด้วยกันสนุกด้วยกันพอเวลาทุกข์ไม่เอาด้วยมันจะได้เหรอหนุ่มคนหนึ่งพูดดังๆแล้วในที่สุดหนุ่มทั้งหมดก็เข้าประคองผููเท่าด้วยความมากคนด้วยกันก็นําปูเท่าข้ามเรือมาฝั่งวัดแจ้งได้เรียบร้อยแล้วก็พาส่งถึงบ้านโดยสวัสดิภาพถามอาการของคนเจ็บพอรู้เรื่องมอบหยูกมอบยาแล้วก็ลากลับ พอจะลงเรือจ้างบางคนก็เกิดปวดปัสสาวะก็เลี้ยวเข้าไปหาทางยักษ์สองตัวที่ยืนอยู่บางคนไม่เห็นด้วยจึงฉุดมือไม่ดีนะไปทางอื่นดีกว่าเฮย้ยมันจะอะไรกันนะมืดๆก็ว่ากันไปตามสบายใครจะห้ามเราก็มีการยือ้อยุดฉุดกันเล็กน้อยก็บังเกิดเสียงประหลาดขึ้นในขณะนั้นคือเสียงเหมือนของหนักตกงลงกับพื้นดินมีความกระเทือนเยือก ทุกคนชะงักยืนนิ่งเสียงมันคล้ายว่าใครที่มีเท้าใหญ่ๆกระทืบดินแล้วทุกคนก็เงยหน้ามองยักษ์สองตัวนั้นเพราะผู้เท่าเคยเล่า ว, ว่าพบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องจะทำความสกรปรกแถวนี้พอได้สติก็พากันจ้ำอ้าวลงเรือที่จอดอยู่ที่โป